ท้าที่ของพวกเราต้องมีการมีงานเหมือ น, นเราจะข้ามฝั่งข้ามภาคต้องลงเรือเชื่อโท่อเชื่อนพายเรือพวงเราคือธรรมวินยัย คำสั่งคำสอนที่พุทธององเลยสอนเอาไว้อาศัยได้จริงจริงอกจานั้นเราก็เป็นเพื่อนเลิศลงรัวลำเดียวกันก็สำเร็จได้จริงๆริถ้าเราทำหน้าที่ของเรา ให้ดีอย่ามือไม่พายอย่าเอาเท่าเหล่านาน้ำโบราณท่านว่าลีขวงขวงมีความเห็นโชคมีความภาคเพียรชคบในการตั้งสติไปชอบนี่คือหน้าที่ของพวกเรา ถ้ามีความภาคเพียรชอบมีสิ่งตั้งไว้ชอบมันก็พาไปงานมันพาไปการทำงานงานพาให้สาเร็จก็ผลจากการทำงานก็เกิดขึ้นเด้อหยาในธรรมวินัย น, นี่ ในวัดปฏิบัติหน้านี่ก็อาจาจะเป็นลูกขมูลละวัดออกจากบวิมุงที่บงังอยู่คนไม้เป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดเอาลงไป มันก็ทำให้เราได้ปรกหัดสัมผัสกับต่างจริงต่างๆได้ว่าทุดองพรวัดช่วยโคดเกเราล้วนั่นก็ในัจตินิกังค์คะ บางทีก็ไม่หลับไม่นอนไม่เอ็นหลังก็มีโตดเกาลงไปติบลานิตังค้ะหรือหรือว่าสองผืนเป็นวัดกันเข้าเมื่อเดียวเป็นวัดนั่งอาสนะเดียวเป็นวัด ถ้าลูกอาสนะนั่นแล้วไม่ไม่ไมีขบเคียวอีกอย่างนี้ก็มีแล้วก็จะทำอะไรหลายอย่างสิบสามข้อถ้าเราดือ้อถ้าเราไม่ดื้อก็ไม่เป็นไรอยู่กันตามปกติตามัน สุขสนเอาเอาลงไปมองเอาสุภากรรมาฐานหลายอย่างที่เราจะเอามาใช้ร่วมกันไปพลังรวมพลังร่วมเสริมเข้าไปในการทำให้เกิดความสำเร็จในศรัทธา เพื่อมันมีความภาคเพียรไม่สติม่สมาธิมั่นคงมีปัญญารอบรู้ผิดถูกยกตนออกจากความผิดขึ้นสู่ความถูกต้องโดยจากเชื่อตัวเองเวลามันหลงเชื่อเองให้รู้ เราทุกข์หมืนสุขช่วยจึงให้รู้ขึ้นมาเรียกว่ายกตนเหมือนก็เราอยู่ในห้องน้ำความหลงมันท่วมน้ำตอมรู้สึกตัวเหมือนกับขึ้นมาได้ไม่เป็นไปกับสิ่งต่างๆขึ้นฝังได้เช่นเป็นสุขขึ้นฝังไม่ได้ เป็นทุกข์ขึ้นฝั่งไม่ได้พอใจไม่พอใจอย่างนั้นขึ้นฝั่งไม่ได้ได้เห็นมันเทียบท่าได้ไม่เป็นมันฉุกเห็นมันฉุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์มันหลงเห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้มันสงบเห็นมันสงบมันพุ่งซ่านเห็นมันพุ้งซ่าน นี่เรียกว่าเทียบท่าเหมือนจะจะเข้าขึ้นมาไหลก็ได้ถ้าเห็นแล้วก็ไม่เป็นถ้าเห็นแล้วไม่เป็นกับจิ่งต่างทั้งหมดนี่เรียกว่าเรือเทียบท่าชีวิตของเราก็มีท่าแบบนี้ถ้าเป็นเรามันลอยคอขึ้นไม่ได้เป็นสุข ขึ้จะความสุขไม่ได้เป็นทุกข์ขึ้นจากความทุกข์ไม่ได้พอใจขึ้นจากความพอใจไม่ได้ไม่พอใจขึ้นจากความไม่พอใจไม่ได้โอนเรียนอยู่ในห้องน้ํานั้นมนุษย์ทั้งหลายวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งไงนี้เองไม่ขึ้นสักที เราจึงลองดูกล้าถ่าหวนหลงรู้หัดกล้ากล้าความกล้าทมในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกได้ ว, ว่าความเพียรกล้ารู้ไม่กล้าหลง บางทีมันละอายลอายใจละอายความหลงเจิดจากความคิดเจอดจากอะไรมันอยู่ที่ใจให้ความละอายต่อตัวเองไม่ใช่ละอายต่อคนอื่นตาหลงทีใดองเปรอเพื่อนตาสุขตาทุกทีแล้วเปอเพื่อนแต่บางคนไม่ไม่ค่อยเลย สนใจเรื่องนี้บ่าให้สุกให้ทุ์ให้หลงให้ผิดให้ถูกด้านไปเลยถ้าเรามาลู้แล้วมันมันจะมันจะสัมผัสก็จะได้คำตอบหลงลู่อย่างี้เวลามันหลงลู้อะ ให้มันแรงๆสักหน่อยตอนดีความหลงมันทาให้อ่อนแอความสุขทําให้อ่อนแอความทุกข์ทำให้อ่อนแอความเพียรเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมาได้บ่กฮึดสู้ยกกล้ามขึ้นมาดังนี้เรียกว่าพลังทําให้สําเร็จ ในศึกษาทั้งโลกเขามีความสำเร็จผู้มีความใส่ใจยิ่งใช่ก็ยิ่งคล่องตัวบางคนไม่ชอบใช่อาศัยคนอื่นก็เลยไมเชื่อมแข็งเหมือนเหมือนกันหละคนเราถ้ามีความเพียรเราเหมือนกันหมด ไม่ใช่หัวดีหัวดีไม่สําคัญแต่ความขยันน่ากลัวเอาความขยันคือความเพียรก็ไปไม่เข้าใจสิ่งใดทําให้เข้าใจถึงนั้นไม่ลู้แย่งในสิง่งใดทําไม่รู้แย่งถึงนั้นนี่เรียกว่าความเพียรความขยันยิ่งพวกเรามาทํากรรมฐานเป็นความขยันไม่ใช่ อ่อนแอมันก็มีอยู่ในความอ่อนแอ ใ, ในความอวอนแอก็มีความขยันอยู่คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนอ่อนแอย่อมนอนไปทุกข์อยู่กับความสูขความทุกข์ตลอดพบตลอดชาติ คนที่มีความเฉ่งก็พ้นจากสุขจากทุกข์ได้เหมือนกับความยากจนความยากจนก็เป็นปัญหาต่อคนขี้เกียจคนขยันก็เป็นปัญญาต่อคนมีความภาคเพียร มั่นใจขึ้นมามองอะไรทะลุทะลวงได้คนอ่อนแดมองปัญหากลายเป็นความโง่กลายเป็นการไม่สู้ไปยมแพ้เหมือนนักร บ, บของพระพุทธเจ้านักรบของพระพุทธเจ้าไม่อยู่สอนประเภทประเภทที่หนึ่งจะเป็นนักรบ เข้าสู่สงขามจนามชทยได้ยินเสียงโห่ร้องได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงดาบได้ยินเห็นฝุ่นฝุ่นผุยเกิดขึ้นใสนสนามรลกถ่ายแพ้่ไม่สู้แล้ว ได้ยินเสียงโห่ร้องได้ยินเสียงสัตาวุธแพ้แล้วไม่สู้นักลบบางประเภทพอได้ยินเสียงโห่ร้องได้ยินเห็นผงทุลีคุ้งอยู่ในสนามลบยังไม่แพ้เข้าไประปเชิญดูตาต่อตาพันต่ันหลบเลีกไป หลบเลีกไปหดเลื้อวหมดแรงยอมแพ้ออกมานักลร บ, บางประเภทเข้าไปในสงครามถูกธนูถูกลูกศรถูกดาบเห็นเลือดไหลออกไม่ยอมแพ้เก็บปวดไม่ยอมแพย้ยังมีน้ำใจที่จะ ลกอยู่เขาก็คนเราก็คนมันไปสุขมันเป็นทุกเหนือมันเข้าไปตนที่สุดได้เชยชนะท่านใดก็ดีพิกษุนทั้งหลายพิกษุนเบเืบงองปลาเพศพิสูจน์เพื่อเห็นขงขีสนามลบเสียงโห่ร้องของในสนามลบเหมือนเธอทั้งหลายตาเห็นลูกหัวดียินเสียงจมูกได้กลิ่น ที่ในรถดกายสัมผัสกิด <c oughs> ใจคิดนึกเธอก็ยอมแพ้ไปตามอาิย จ, จะตะ้แล้วเห็นชายงามเห็นสาวงามหญิงงามยอมแพ้แล้วยอมตกเป็นธาตุของความพลักตกเป็นธาตุของกิเลสทหาราคะขึ้นมานั่นภิกษุทั้งหลายแร้ ว, ว่าผู้ที่ตายในนอกสนาม ตายไปแล้วไม่สู้พิจูทั้งหลายภิกษูบางเพศอดทนนีลาคะโลสะเกิดขึ้นเสียบแทงกิจใจอดทนอดทนอดทนลดทนหลายรอบหลายชาตก็สู้ไม่ได้ยอมแพ้นักลบบางเพศพิจุตั้งหลาย เธอได้อดทนต่อค ว, วามมจววะภาวะสวะอวิชชาสวะอาส ว, ว, วะการตัะหาภวะตวร ะ, ะตนหนัวิภาวตระหนัเกิดขึ้นเธอไม่หวั่นไหวสู้เก็บปวดรักษาทำไปไหนไปน้ำตาลุกน้ำตาไหลสู้เก็บปวดขนาดไหนก็สู้เธอก็ย่อมชนะ นว่าชนะในสนามแพ่นอกสนามแพ้ในสนามชนะในสนามท่าใดก็ดีพิกษุน์ทั้งหลายพิสษุนในธรรมนี้เป็นเช่นนี้ตอนนั้นเราบางทีก็แพ้แล้วได้ยินเสียงก็แพ้แล้วคิดขึ้นมาก็แพ้แล้วให้ความเกียจข้านพาพ่าหยุดทําความดี ไอความเหนื่อยๆวางมาล้นนักหนาวนักหิวนักกะหายนักไม่ทำความดีผัดวันประกันพุ่งนั่นเรียกว่าโต่รองโตอรองไม่ลงสนามไม่เข้าไม่เข้าสัมผัสมันจะแค่ไหนความหลงมันจะแค่ไหน ความทุกปัจแช่ไหนความโกรธความยิดฉาเบียดเบียนขี ด, ดตนาม า, าแช่ไหนเราก็มีเครื่องมืออยู่แล้ว <c oughs> สติ <c oughs> สัมปชัญญาอาวุธศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยเอาอย่างคนดีติสุกข์ทั้งหลายนี่ มีแบบอย่างแบบฉ บ, บับทำไห้ไหนนี้เหมือนกับมีแบบฉ บ, บับอาศัยเข้าข้างทำให้มีทำให้เกิดขึ้นให้แยบคายภายในจิตใจของท่านเองในความหลงใส่ใจสักหน่อยก็มีความไม่หลง ในความทุกข์ใส่ใจชั่งหน่อยก็มีความไม่ทุกข์ทุกขัดตรนี้นะว่าฝุกตนสนตนหรือว่าความเพียรมันเกิดพร้อมกันเป็นกองทัพกองทัพหรอยเช่นเราสวบเมื่อกี้นี่ว่าฉันทะเอาไว้ติจิตตังภาวัสติตวิญยังปัญญามติก็คือฉันทะคือพอใจ ไม่เบื่อหน่ายในการทําความดีพอใจไม่ทอดไม่ทิ้งเหมือนเรามีความพอใจในความอะไรก็ตามย่อมมีความเพียนตัวถึงนั้นพอใจในพัญญาสามีของตนก็เพียนประกอบไม่ทอดทุลาถ้ามีความพอใจก็มีความภาพเพียนต่อกัน ควมดีเท่าไหร่ให้หมดทำหมดทำหมดความชั่วมีเท่าไหร่พยายามละหมดมันมีความเพียรเกิดขึ้นนี่สติเกิดขึ้นรู้โลกหน้าโลกไม่ใช่ดูเฉพาะอร่อยเห็นหน้าเห็นตาเห็นความดี เห็นความดีของเขาเห็นความดีของเราทั้งสองอันมีสติเห็นความดีแล้วมีสมาธิมั่นคงต่อความดีไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ปล่อยไม่ว่าง เหมือนพ่อแม่รักลูกพยายามที่ช่วยลกูกแต่มันช่วยไม่ได้สุดฝีมือหลวงตาไปอยู่มองเลยไปดูคนตายมันก็ใกล้ๆวัดมันมีลมฝางหน้านี้ <c oughs> ลองฟางนอนเฝ้าเข้านวดเข้าที่นาแล้วก็ทำฟางกองเป็นซุ้มอยู่มีประตูเข้านอกนันก็เป็นไม้เยา่าต้นเยา่าเป็นรั่วอมไว้ก็เอาฟางปลูกไว้มีิมประตูเข้าทางเดียว พัดีที่นั่นไม่มีปืนอยู่ไนวในใ น, ในสุ่มนอนนั่นลูกชายไปเข้าไปในสุม่มพอ่พอพ่ก็ออกมาข้างนอกอยู่ห้างห้าแต่แม่ก็ออกมาข้างนอกอยู่ห้างแต่พอวันดีลูกไปเล่นปืนดินปืนมันแตกมันเปิดไปขึ้นมาก็ไม่ฟัง มันแห้งมันร้อนก็ลุกขึ้นมาทีก็ไม่ก็ไม่ทางประตูจะ บ, บืนโดกไปนโิโกทางต้นไม้ต้นเหญาที่มันทีมันนมืงเนี้ยบืนโดกไม่หนีไปไหวก็ไม่ลุกขึ้นมาท่วมขึ้นมาแต่ว่าลูกน้อยยังบืนโดกอยู่อยู่ในติดกับต้นไม้อยู่แม่ก็เข้าไปแม่เข้าไปเข้าไปจบบดิงลูก ปอยไม่เท่าไหรก็ยอมสู้ดึงออกลูกก็ยอกพ่อก็เด้งเมียออกมาเมียก็ไม่ยอมออกจะเอาลูกให้ได้ลูกก็ตายไปแม่ก็เจียนตายไปปลไม่หมดเลยนี่คือไม่ปล่อยไม่ทิ้งรักความรักฉันทะเรียกจิตตะวิมังสาสุดความสามารถอะไรที่เราทํากับตัวเราให้สุดความสามารถลองดูเจ้ มันหลงเอาลู้ลงไปมันทุกข์ลูลงไปอย่าไปเอาหลงเป็นหลงอย่าเอาไปทุกข์เป็นทุกข์อย่าเอาสุขเป็นสุขมันก็เช่นนั้นใครก็เคยหลงใครเคเคยดุใครเคยเคยสุขเคยทุกข์เอาลองดูเลยลองดูมันจะขนาดไหนแม้จะมีกิเลส ต, ตัณหาล่ะคะมันจะขนาดไหนนะมันมีได้อะไรมันมีเกิดอย่างไหน มันก็ไม่มากเพียงแต่ความคิดความหลงเกิดขึ้นเอาเอ า, เอาตัวรู้เข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปอย่าไปเอาเหตุเอาผลอย่าคล้อยตามถวนกเ็เสนี่ลองดูลอ ง, ลองสุดพีมมืออะไรทำให้สุดพิมมือลองดูมันก็ทำได้ทุกคน ่างการจีลาการฝึกอะไรต่างๆสุดฝีมือจนทำหลายศิลปะกรรมหัตกรรมถ้าทำจนสุดฝีมือมันก็ทำได้ทำได้จนไม่มั น, ม, น, ม, นมันไม่น่าจะทำได้เช่นการฝีมือนี่หรือดิว้วแรงที่เราเพียนพยายามนี่ยบางทีเราทำดูเร็วมันมาม่ทำได้แต่ต้องเพียนพยายามลงไปมันจะทำได้ มีบางทีมันกับเราทำงานออกได้ออกแรงงานกับอันบรรทุที่เราทำมันใหญ่แต่เราตัวเล็กมันทํำไมจึงทําได้บางทีก็อัศจรรย์ตัวเองเหมือนกันเจอคนนี่ทำงานนักทำงานงานที่เราทํานี่มันก็ไม่ใช่แด้เอาพลังเงือแข็งแรงมาก ด้วยศรัทธาแต่ความหลงมันก็ไม่ไม่หนักความเลือตัวมันก็ไม่ยากมันอยู่ด้วยกันไม่ใช่หามาอันเราไปงัดท่อนซุงอะมันต้องหาอันเนมาประ ก, รกอบแต่เพราะเรายกไม่ขึ้นเช่นเราไปเอาไม้ขึ้นลกอขึ้นเกวียนน่ะเราชีล้อชีเกวียนไปคนเดียว จะทำยไมไปเอาไม้เอาต้นเสาขึ้นเปลี่ยนต้นเสามันก็หกมเมตรใช่ไหก็ใหญ่ยาวหกเมตรเราไปคนเดียวจะทำาัหม่มันยกไม่ขึ้นจะเอายังไง่ขึ้นโลกนเกลียนได้ฮะ ก็มีปัญญามาเรื่องฉันทวิยจิตะสมาธิปัญญาโอ้ยกถอยเกวียนมาสมุตโตนโสถอยเกวียนมาเอาเอาไข่เกวียนมาตรงหัวเสาแล้วก็เชือกผูกหัวเสามาผูกใส่กับยกขึ้นยกขึ้นก็ เอาต้นไม้อยู่ข้างๆมัดหัวเกียนไว้แหมมันเงินขึ้นหัวเจลียนเลยเกียนเลยต้นทรงลอายกขไขอไปลก็ใหอยู่นี่ยหัวล่อมันทรงเนี่ยก่อนยกหัวล่อขึ้นมากึ้นแล้วก็มัดหัวล่อขึ้นก่อนแล้วก็เอาไม้มาเชื่อมมามัดต้นงเนี่ยมัดใส่เกียนัน มาข่มทองหัวก็ขึ้นมาอต้นเสาขึ้นมาออต้นเสาก็มาแล้วก็มัดหัวเปียนใส่ต้นไม้อีกเดี่ยงขึ้นมาสูงสูงเสาของเงืขึ้นมาถูกเชืยกมาเงือขึ้นมาแล้วก็ไม้ไปสอดไปให้ไปสอดไปก็บัรนี้ก็เสาบนเงืออนี้หานก้นเปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไป ใส่เข้าไปไว้กองหมดเรียนขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นีกก็งั้เข้าไปขึ้นอีกขึีก็เรียนจนกองขึ้นมาขึ้นมาเลยเอาขึ้นล่อไปบ้านเรียบร้อยแต่ต้นเสาหักใหญ่เข้าไปบ้านคนเดียวคนถามมึกทําไมเอาขึ้นล่อได้เอ้าต้มีปัญญาล่ะแม่นี่ บางทีเราก็อจฉันนะสิ่งที่เราทําบางทีมันมีปัญญาในตัวเอาชนะความหลงน่ะมันมีปัญญาในตัวเอาชนะความโกรธก็มีปัญญาเอาชนะความทุกข์ก็มีปัญญานะแต่ขอให้เราสู้สักหน่อยเพราะวาทำไก็ทิ้งไปเลยไม่ใช่ <distraction> สองรบสามรบส อ, ร cod, สองรอบสามรอบเอาดูสักสหน่อยสิมันมีทางไปได้เพลังที่สู้มันไม่หมดมันเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเบิ่มขึ ควบหลงมันก็ลดลงลดลงควบรูปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่เล็กก็เยอะทําไปทำมาง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาเล่นเล่นก็ได้หมดทำใหม่ๆอาจจะยากแคหน่อยอย่างควบ ม, ม่มองนอนทําใหม่ก็ไม่หลงเลือนตาไปขึ้นเลย <laughs> เลื่อนตาไปขึ้นทําไปทำมามันก็ง่ายขึ้นมาะ สบายเลยหลอกมันก็ได้หลับตาให้มันหลับเอามันจะหลับหลับเราเจมันก็ไม่หลับหรมันอายเมืันกันนะเติงไม่ชอบมาพากลอายความถูกต้องในตัวเราเนี่ยมันไม่กล้าหรอกถ้าในตัวมันเป็นผมมันเองมันก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสตัวเมื่อสัมผัสตัวแล้วของง่ายๆกลายเป็นของยากไป เราจะหลงไปทางไหนเราจะทุกข์ไปทางไหนเราจะโกรธไปทางไหนในความไม่หลงมันก็มีในความไม่ทุกข์มันก็มีในความไม่โกรธมันก็มีเป็นอิสระจะให้อะไรมันควบคุมเราเป็นนายเราอยู่มันก็ไม่ใช่เนี่ยอันหน้าที่อันนแ้หน้างานของตัวเองการงานของเราเนี่ยอย่าโทษอย่าเที่งเงินเถอะ แล้วกันทำอันนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่วัดป่าสุโกโตอยู่กับเ่านั่นเองมันหลงก็อยู่กับเราพ่อม่ลูกก็อยู่กับเราน่าจะบอกกันน่าก็จะตือหรือลลนงานอันนี้ไปงานส่วนรวมถ้าใครช่วยคนที่หลงให้ลูกขึ้นมา ด้วยคนนิโกรให้หายโกรทช่วคนที่ทุกข์หายทุกข์โดยไม่ต้องอาศยัยวัตถุปัจจัยอะไรเพียงแต่สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเห็นชอบเห็นผิดเห็นชอบง่ายๆได้บุญมากกว่าสร้างบุญใดๆอันสร้างบุญอะไรที่มันเราทำกันทุกวันนี่มันปรากฏเลยขึ้นในโลก ถ้าไม่มีส่วนนี้เขาไปเสริมถ้ามีส่วนนี้เขาไปเสริมมันก็เกิดขึ้นมานหรอบุนน่ะทําอะไรเสียเฉลิมเกิดขึ้นมาเองถ้าเราไม่มีตรงนี้มันก็ยากคนเราก็ไกลกันออกไปห่างไกลกันออกไปอย่าพี่น้องก็ไม่เคยคิดกันเหมือนสมัยแต่ก่อนมันไม่ผูกพันกัน แล้วบางกาเป็นอยู่ก็ต่างกันก็สมัยก่อนพ่อแม่ก็มาได้อยู่กับลกูกลูกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แม้แต่พญญาสาศีก็ไม่ได้ค่อยได้อยู่ร่วมกันก็ใกล้คิดสนิทสนมกันมันเป็นคุณการคุ้นเคยเป็นญาติจางยิง่งเมื่อเหมืนอยู่ห่างกันมันก็ไกลกันแล้วก็แล้วก็ไม่ใกล้คิดสนิทสนมกัน ต่างคนต่างบริการด้านอื่นมากกว่าจะให้เหมือนคนโบราณก็เป็นไปไญ้ากทั่วนี้ต้องมีธรรมะดันนี้ไม่ไม่ล่าสมัยยังมีอยู่ควงหลงความ ม, ม่ความไม่หลงกวมาอยู่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เนะี่มันจะไม่มีอะไรขวางกั้น ในความเมตตาก็นับปาฏิารดีโตกันไม่ตลอดเวลาไม่ห่างไกลกันไม่ห่างไกลกันแล้ววานน้องตาก็ไปดูญาติตาบอดเป็นโต้ไปผ่าหมอเถื่อนไปลอกเราไปแล้วมาเลยตาบอดคือยังผห า, าไหนจำไหมแมนบอกไปหาดีกวให้หมอเถือเ่อนมาลอก ตาได้บอดเลย น, นั่งคือกันนะให้คนหมอไม่ใช่หมออย่างคนหมอเนี่ยไม่บอดหมอเถื่อนๆมันบอดก็บอกโอ้สบายแล้วตาบอดอ่นะไม่ต้องดูอะไรทำไมไม่มจะนอนอนะบอกจับเขียนลูกกันมาพาเดิน ัดให้เดินเราเองเอาเดินไปตรงๆเดินไปเไปลวลาเขาไปใช้ไปมันไม่ตรงเอาขวานิดหน่อยแล้วเขาปวดขวามันก็ไม่รู้จะตรงเอาใช้นิดหน่อยต้องบอกขับอยู่เรื่อยเอากลับมากลับมามาเนี่ยมาที่มาตรงเสียงเนี่ยมามาเดินมาเดินมาเดินมา พู้บอกก็พูดอยู่เรื่อยมันก็ได้ยินต้ก็ไปตามเสียงอไป้ปบอกว่าไปก็ไปไปไปเดินไปเดินไปเดินกลับมาเดินกลับมาแข่งแขนแข่งแขนเดินเงยหน้าขึ้นอย่าไปก้มมองเหมือนคนไม่ตาบอดเก้าแหลงแหงตกเท่าไปเลยอย่าไปย่องลากเท่าไปเลยมันถนนคนกรีต ให้สัมพัสบอกให้เดินอยู่มีจะนอนอะ <S <S กันรู้จักชื่อตัวเองไงมันหัดตาคนตาบอดไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นสาวก็ไดหลังต่อลังต่อ่า อ, อ, อยู่เมืองเลยเนี่ยคนตาบอดอยู่ใกล้ๆวัดน ะ, ะชื่อว่าเสจเทียนสะเทียนมันดีพินจริง ดีดพินไปเล่นเที่ยวเสาออมว่านกลับมานอนเองอนานถึงบ้านกนักลับมาขึ้นบ้านเองเวลามาขึ้นมา่อไรเรามองไปลูกเหมือนคนตาดีแล้วลงตาไปเห็นพระองค์ในโยมเบอร์น้องสองห้องนะรักษาเชิงของดีกว่าคนตาดีกูอุขันไปนี่มันไปไหนเนี่ยถ้วยเอาไปนี่ไปไหนคุอยู่นี่ไปไหนถามหา ทำไมเราไปเอาึ้นมาไว้เดินจากที่นอนไปห้องน้าเหมือนคนตาเดียวถ้าเราเขาหาัดไม่ไม่ต้องยอมมันสู้ลองดูเยอะไรก็ตามมันต้องหัดสู้หัดหัดทาลอหลูวัดสาค้งหลงน่ะทำไมไปยอมแพ้มันมันทุกข์ไปยอมแพ้มันมันสุกทำไมยอมแพม้มันโกดทำไมไปยอมแพ้มันอะไรอวบน การพักภาจากของเราของเจ้าเกยก็เป็นทุกข์คมไม่สบายกายควมไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปัญหาเชิงใดไม่ได้เชง น, น, นั้นก็เป็นทุกข์แค่นี้ทำไมจึงทุกข์เมื่อเกิดจากอะไรเกิดจากความเห็นของเราไม่เปลี่ยนทุกขไม่เที่ยงโ อ, ม อ, งโ อ, มโอ้มันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนโอ้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ยินอยู่แล้ว สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวตนเราเอาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนเพราะความไม่เที่ยงพระเจ้าก็บอกแล้วเอามาเอามาใช้เห็นควาไม่เที่ยงเงินขยะถังขยะ เอาความไม่เที่ยงไปวางลงความไม่เที่ยงเอาความไม่ทุกไปทิ้งลงความไม่ทุกขยะสามถังเหมือนถังขยะถังลักโลกที่นวัดเรา เ, เห็นไหมสามถังถังลักโลกเราจะเปรียบเหมือนกับสามมันลักษณะของชีวิตของคนส่วนมากมีความไม่เที่ยงความไม่ทุกความไม่ใช่ตัวตนเอาไปทิ้งตัวนั้น ในรายใดมันเกิดความไม่เที่ยงเกิดจากเราเกิดจากคนอื่นจิงเงินวัตถุอื่นเอาไปเที่ยงลองรู้แล้วมันไม่เหี่ยวเอาวางลงตรงนั้นนั่งก็สะอาดใจครับในรายใดเป็นทุกข์รู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์รู้แล้วเป็นทุกข์ทุกแบบนี้กําหนดรู้โดยการรู้ทุกแบบนี้กําหนดรู้โดยการบรรเทาทุกแบบนี้กําหนดรู้โดยการละเอาลองแล้ววางลงแล้ว ในถังที่เป็นทุกข์สิ่งใดมันเกิดขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนในความไม่ใช่ตัวตนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลอย่างหลวงตาพอเอาเกจฉีบไว้หลังกะลงบืบเบิบเบเบิเเบิบเดินไปยึกยักยึกยักมันลงลดลงแน่ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่ในเรื่องเนี้่ดูแล้วว่าไม่ใช่ตนวางลง เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ความไม่เมช่อตนแล้วก็มีที่วางเหมือนขยะในบ้านเราเอาวางลงให้มันเป็นระเบียบในความไม่เที่ยงอย่าให้มันลุกลง่มลาในใจเอาไปทิ้งลงในถังขยะในความไม่เที่ยงแต่ว่าสามัญลักษณะเสมือเหมือนกันหมดทุกชีวิตในโลกนี้ยไม่ว่าอะไรอแต่ต้นเสนในความไม่เที่ยงในเที่ยง จะอยู่ได้เท่าไหร่อยู่ได้ไหมเท่าไหร่นี่ก็เปลี่ยนมาสองข้างเรานะหลังกระตีในว่าเราเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนมาแล้วโลกที่หนึ่งโลกที่สองเราจนไม่มีเวลาได้พักเลยเวลานี้อาจารย์ตุ้งเป็นอาธิการอาธิการ สงมพีเ่เจ้าอุทิศการส้มกะติเสนาสนะเพื่ออะไรความไปเที่ยงเพราะความไปเที่ยงจึงมันจึงดีขึ้นมาอั น, นดีในความไปเที่ยงในตัวเรามันเป็นนิพพานในความไปเที่ยงมันไม่ดีเพราะมันเป็นทุกข์เอาความเป็นทุกข์มาเป็นนิพพานนี่มันเปลี่ยนได้ มันไม่มันไม่เหมือนต้นเสาต้นเสาในเปลี่ยนได้มันก็ไม่เท่าไรหรอกเออนี่ยอมแพ้เรานี่ก็มีปวกขึ้นมามีผวกขึ้นมาปวดเมื่อไหจะเก่งกว่าเราอีกนะหลายอย่างที่มันเป็นศัตรูในโลกนี้ในชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างน้อยกว็วไม่เที่ยงละ อย่าเป็นทุกข์ปลุกความหมาเที่ยงเด็ดขาดได้ไหมอย่าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ให้ไม่เด็ดขาดจะให้มันแล้วไปจะอย่าเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนให้มันแล้วไปจะแล้วตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนหรือเป็นคนแก่เท่าเช็ดไปจะอย่าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ปลุกความหมาเที่ยงอย่าเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน แล้วก็ไม่มีเลยพัดภาคจากของรักของชอบใจไม่เป็นทุกข์พัดสาธชิงใดไม่ได้สิล่ะไม่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจความพเพียรเพียรใจไม่เป็นทุกข์เปลี่ยนอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนได้อย่างเนี้ยมันเปลี่ยนได้เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐน่าจะขยันตรงนี้สักหน่อยอย่าปล่อยเวทการบ้าน ให้กับปัญหาชีวิตของตัวเองถ้าเปลี่ยนได้สามอย่างเนี่ยได้อันอดื่นก็หมดไปเลยหมดไปเลยหมดไปเลยเท่านี้พอแล้วพเจ้าประกาศเหลือจินเหลือใช้ผู้ใดเห็นไตรักถูกต้องตามความเป็นจริงพอแล้วยังไปไหลไปสู่มักผลนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรู้อะไร ไม่ต้องปเปลียนเลยล่ะมันเรียนอยู่ในตัวของเราเองเอพอดีพอ ด, พอดีกับกรรมฐานพอดีมันเลยชนกันพอดีเปิดกรรมฐานใหม่ๆ ม, มีสติเอาพอดีมีความหลงพอดีกันเลยไม่ต้องหาของมัมีอยู่ใช้่มันดีเอาของที่มันดีใช้มันดีเอาประโยชน์จากมันเอมีสติขึ้นมาก็เห็นความหลง พอมันหลงก็มีสติพอดีกันเลยเพราะมันหลงต่างหาเป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยเป็นสังขารความรู้เป็นวิสังขารคู่นี่ปรับกันเลยทีเดียวไม่ยากมันมีอยู่แล้วของมีอยู่แล้วทำไมไม่ใช่ให้ความหลงเป็นหลงให้ความทุกข์เป็นทุกข์ให้ความสุขเป็นสุขไม่ใช่ลองดู ความหลงอาจะเป็นความรู้เป็นนิพพานได้เรียกว่าวิสังขารพระพุทธจ้าตัดผมครั้งเดียวไม่เกิดเด็กัอนทุกข์เพราะความหมาเที่ยงไม่เกิดเด็กทุกข์เพราะความทุกข์ไม่เกิดเด็กทุกข์เพราะความเชื่อตัวตนไม่เกิดเด็กเรียกว่าตัดผมครั้งเดียวตัดขาดไปเลยเด็ดขาดปไปเลยเรียกว่าวิสังหารวิสังขารคือวิเศษ อิเของเขาสงขารมันตำาต้อิวิ์เษขึ้น ม, มันชนะในสงขามถ้าไม่มีการชนะอะไรมันจะเป็นมันจะดีตรงไหนคืดเราถ้าแพ้แต่พื่อเดืัอปาราชิกปราชัใช้ไม่รู้ชาติใดพบใดที่จะต้องมาศึกษาแล้วนี่กันเดี๋ยวนี้ก็พ่อแล้วพวกเรานะเรายินว่าแม่เพียน อ๋อสมควรสมควรเจเวลาแหะการพระพ้องกัน